อย่าว่าแต่ความร่มเย็นเล็กๆน้อยๆธรรมดาที่เป็นพื้นๆนี่เลยจนถึงความร่มเย็นที่นอกจากสมมุติไปที่เรียกว่าอนันตการก็คือศาสนธรรมของพระพุทธเจ้านี่เท่านั้นเป็นผู้ให้อุบายหรือบุกเบิกทางก้าวเดินเพื่อความสงบ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 เกิดได้ทั้งนั้นไปได้ทั้งนั้นตายได้ทั้งนั้นในสามแดนโลกธาตุนี้เป็นที่เกิดที่ตายของจิต ด, ดวงนี้จิต ด, ดวงเดียวนี้แหละเพราะนานแสนนานที่เคยเป็นมามากน้อยเท่าไรตามจงกระทั่งเข้าถึงตัวมีอะไรก็มีอันเดียวเท่านั้นที่ว่าอวิชชาปัิยาสร้างคาลาเมื่อถอนธรรมชาติที่เป็นชื่ออันสาคัญหรือเป็นตัวเสนียจันลของภพของชาติอันสาคัญออกโดยสิ้นเชิงแล้ว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 แล้วไม่มีอะไรที่เหลืออยู่แล้วในการสั่งสอนมู่เพื่อนหากจะยืดไปเป็นข้อปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นภัยแก่ตัวเองเราก็ไม่สงสัยว่าอุบายที่นำไปนั้นผิดไปเพราะการสอนไม่ได้สงสัยว่าได้สอนผิดไปจากหลักธรรมและจากหลักผู้ปฏิบัติทั้งหลายที่ได้ปฏิบัติไล้รู้เห็นมามันควรจะได้แล้วนี่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 เห็นแต่วความเลี้วๆไหลๆเห็นด้ผลลบเลี้วๆไหลๆไปตลอดเวลาจะให้ไม่ให้พูดได้ยังไงยังดีนี่อยู่กับหมู่กับเพื่อนนี่ยังพูดกันอยู่อย่างนี้ันีไปไหนมันก็หนีไปได้เนี่ยคนไม่ตายทาไมไปไม่ได้วะเมื่อมันสูตวิสัยแล้วจะจะก็จะสอนกันได้นั่งหนอืเอาละพอหนึ่อยมาพูดกันยังไงไะ